แล้ววันนี้เราจะลองล้างบนทินก่อนเลยนะคือจะขออโหสิกรรมจนะขอขมาโทษต่นะอพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์กันนะเพื่อที่จะสมมุติว่าเราเคยผิดพลาดล่วงเกินอะไรมาก็ตามนะให้เราถือว่าเราได้มายังสถานที่ที่เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราก็อาศัยสถานที่ ที่มันเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าแล้วก็มีสิ่งที่เขารับด้ความในใจของเราเราก็จะได้ล้างเลนทิมให้หมดจบน ะ, ะให้เราเปล่งวาจาตามพูดตามนะกรรมใดก็ตา ม, ตามที่ข้าพระเจ้ า, า, เ, จาเคยประมาทพลาดพลัง้ง เรื่องเก ต, ต, ต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมขอลดซึ่งโทษ ท, ที่ได้ล่วงเกินนั้ น, เ, น, น, นเพื่อข้าพเจ้ า, า, ะ จ, าจะได้สำรวมระวงังในการต่อไ ป, น, อไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จ้างแด่แบบนี้เป็นโลกไงข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตขอมอบกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระพุทธเจ้าผูทิศแด่พระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตขอมอบกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระธรรมผูทิศแด่พระธรรมขอมอบกายถวายชีวิตขอมอบกายถวายชีวิตอุทิศแด่พระสงฆ์ผูทิศแด่พระสงฆ์ ขอพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระธรรมและพระสงฆ์และพระสงฆ์ รับทราบในความตั้งใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลง จ, ยายาจัดพยายามตั้งใ จ, งใจประพฤติปฏิบัติาตามคำสังสำส่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิง่งยิ่งขึ้นไ ป, ข, นไปขอให้ขาาา้ขขาะเจา้า เป็นผู้มีสติปัญญาเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดรในอริยสัจธรรมในอริยสัจธรรมคลนจากทุกคลอนจากทุกในวัตสงสารในวัตสงสารเข้าถึงพระนิทานเข้าถึงพระนิทานด้วยเธอด้วยเธอ กรรมใดก็ตามกรรมใดก็ตามที่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเคยผิดบาปร่วงเกินบวเกินต่อสัตว์อื่นใดต่อสัตว์อื่นใดต่อชีวิตอืน่นใดต่อชีวิตอื่นใดข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมขออโหสิกรรมซึ่งโทษซึ่งโทษที่ได้ร่วงเกินนั้นที่ได้่วงเกินนั้นข้าพเจ้าข้าพเจ้า ยินดีเต็มใ จ, ใ, จให้อาภายัยให้ อ, าาหอโหสิกรร ม, กรรมแก่ทุกชีวิตวิญญ า, ท, ญญาที่เคยผิดบาปล่วงเกินข้าพเจ้า ต ah. ่างฝ่ายต่างให้อภัยทางฝ่ายทางให้อภัยให้อโหสิกรรมให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันซึ่กันและกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบุญใดบุญใดที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ในครั้งนี้นนขอบุญเหล่านั้นจงบังเกิดขึ้ น, กนแกนแ่พวกท่านทั้งหลายรวมทั้งผู้ที่ ต้องการบุญจากข้าพเจ้าต้องการบูญ like จากเจ้าขอให้ยินดีขอให้ยินดีรับเอาบุญ like ของข้าพเจ้ารับเอาบุญของข้าพเจ้าให้เพียงพอให้เียงอแก่ความต้องการแก่ความต้องการ ต, <How> ตลอดเวลาตลอดเวลาแ ล, วลแล้วก็ตลอดไปแล้วก็ตลอดไปขออย่าได้ รบกวนข้าพเจ้าในขณะปฏิบัติธรรมถ้าต้องการบูมก็ขอให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมอย่าได้มาอยู่ในระยะที่รบกวนกันสำนวนจิตใจดีนะคราวนี้เราก็ตั้งใจนะ เราเข้ามายัางสถานที่ที่สำคัญเดียกวกับสังเวจอญาสานสถานที่สองคือเป็นที่ตััสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็หมายถึงว่าจิตใจของพระองค์รู้ความจริงถึงที่สุดว่าไม่มีอะไรเลยที่เราจะไปหลงยึดมั่นถือมั่นมันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ มันหลงไม่ได้เมื่อทำลายความหลงไปแล้วพระทัยของพระโอ๋ก็เข้าสู่ความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดสงบสงบจากกิเลสสงบจากความหลงสงบจากสิ่งที่มันมีอิทธิพลต่อจิตใจของเราสงบจากสิ่งที่จะครอบงำจิตเราจิตของพระโอ๋เป็นอิสระหมดจดเราน้อมเอาคุณของพระโอ๋เข้ามาไว้ที่ใจเรา ทำใจของเราให้สงบให้นิ่งให้ว่างทาเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่เราจับไปหลงยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไปเรามายังสถานที่ที่พระองค์ทรงทาลายความหลงเป็นครั้งแรกทรงทาลายกิเลสเป็นครั้งแรกทาลายตัณหาทาลายอุปทานทั้งหมด เมื่อเรามายังสถานที่นี้เราก็น้อมเอาคุณเหล่านั้นเข้ามาไว้ที่ใจเราเพราะเรารู้แล้วลล ว, ว่าสิ่งที่ทําให้พระพุทธเจ้าตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ก็คือการรู้ความจริงความจริงว่ามันไม่มีอะไรเลยที่เป็นตัวเราเป็นของเราได้จริงๆเนื่อเพราะเรารู้ความจริง ก็เลยทำลายความหลงผิดได้เมื่อทำลายความหลงผิดได้การที่จะมาทำอะไรเพื่อตัวเราด้วยความหลงด้วยอำนาถเกความหลงมันก็ไม่มี่จะทำอะไรมันก็ทำด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยความมีสติเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็สำรวจจิตของเราเข้ามาให้จิตของเรา วางทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับจะกดไกเพราะเรารู้ความลักซึ่งไม่มีใครรู้มาก่อนเลยถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัตรขึ้นมาไม่ได้ตััสรู้ธรรมตรงนี้เราก็คงหลงผิดหลงเวียนว่าตายเกินนับกลับนับกันนักนับอาศงขายไม่ท่วแต่วันนี้ เราก็ได้มายังสถานที่ที่มหาบุรุษคนหนึ่งสามารถสร้างบา ร, รมียาวนานนับไม่ถ้วนทนรับทุกทรมานบางโคตชาติโอต ง, งสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อแรกกับสัมมาสัมโพธิญาณคือแรกกับความรู้แจ้งคือการรู้ความจริง ควบกดปล่อยจิตใจของตัวเองให้เป็นอิสระมาให้มีอะไรมาครอบนำอําพรางไม่ให้มีอะไรมาพัฒ น, นาการให้ไปยึดไปติดไปข้องอีกต่อไปเหตุการที่พระ อ, องค์ตัดสรู้ว่เป็นพระพุทธเจา้าก็คือจิตจิตมันรู้ความจริงจิตมันตื่นมันรู้ความจริงมันเห็นความจริง แจ้งชัดตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอยาก่างมันจึงทำลายความหลงได้สิ่งที่พรงแจ้งชัดก็คือแจ้งชัดในขันธ์ทั้งหนี้เองในคืนที่พระองค์ตัดสรู้ปฐมยามพระองค์สามารถละลุชาติได้เห็นการเกิดการตายของตัวเองนับภูมนับชาติไม่ถ้วนพอมัชชิมยามพระองค์ก็รู้การเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายอีก ถ้า้หลายตายแล้วไปที่นู่นตายแล้วไปที่นี่เกิดตายเกิดตายอยู่นับไม่ช่วนพอปัดชิมยามพระ อ, องค์ก็ทดทวนเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องทั้งการเกิดการตายไม่ได้มีอะไรเลยเป็นแก่นสารสาระพระ อ, องค์ก็แจ้งชัดตามความเป็นจริงเด็ดขาดลงไปเลยทำลายความหลงไปได้เรียกว่าหมกอาสวะ สิ่งที่หมักดองอยู่ในขันทสันดานสิ่งที่จะผลักดันให้รุ่มให้หลงต่อเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นอวิชาตันหาอวตานไม่มีต่อไปเพราะองจึงได้ตัดสิ้เป็นพระพุทธเจ้าในปัจฉิมยามในคืนนั้นในเมื่อเราเข้ามายัางสถานที่แห่งนี้คําว่าสังเวชานิยสถานก็คือเป็นที่สังเวช แต่ไม่ใช่สังเวชในภาษาไทยถ้าสังเวชในภาษาไทยคือมันเหมือนกับเศร้าๆอ่ะสหลุดหดหูใจอ่ะเศร้าๆมันสะหลดสะหลุดอ่ะแต่ ส, สังเวชในความหมายทางพระพุทธศาสนากระตุ้นเตือนจิตของเราให้หันเข้ามามองดูความจริงเข้ามารู้ความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั่นแหละ พอพระองคตัดสินแล้วจึงมาประทานคําสอนให้กับพวกเราทั้งหลายพรองอยากให้รู้ตามถ้าว่าเรายังไม่รู้ตามพรอ ก, ก็สอนให้เชื่อตามก่อนเพราะอนั้นส้ำมาทิฏฐิข้อที่สําคัญที่สุดก็คือการเชื่อตามคําสอนของพระพุทธเจ้ายอมรับว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าเอามาตรัสเอามาบอกเอามาสอนนั้นแนหะ เป็นความจริงทั้งหมดไม่มีอะไรเลยที่จะไม่จริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะสิ่งที่พทูลตักสร้นั้นน่ะมันเป็นความอัศจรรย์เป็นความมหัศจรรย์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเรามายัางสถานที่แห่งนี้เราก็จะเห็นกลุ่มคนหลายกลุ่มไง ต่างคนต่างก็มุ่งหวังสิ่งดีงามสิ่งที่เป็นกุศลให้แก่ตัวเองแต่ก็จะทำไปตามภูมิของจิตตามขั้นตามความรู้ของจิ ต, ตบางคนก็เอาได้กราบได้ไหว้เต็มกําลังของจิตใจเท่าที่มีเลี้ยวแรงทั้งกายทั้งจิตทำไปก็มุ่งหวังนี่แหละบุญกุศล ถึงเขายังไม่รู้ว่าถึงเออแต่ถึงปฏิพันธ์ได้ยังไงอ่ะพระเจ้าตรัสรู้อะไรอย่างเงี้ยเขายังไม่แจ้งเมื่อไม่แจ้งก็ทําไปตามขั้นตอนก่อนเอออาบุญก่อนกราบไหว้แล้วก็ได้บุญเนี่ยนเราผ่านแมต้ตตาที่มีพระบรายายเรื่องต้นสีมหาโพธิ์เราก็ได้ยินใน้าังอาจารย์สมบุญเนี่ยอธิบายถ้าใครมาก็หลายๆรอบมันก็รู้สึกว่าเออมันอัศจรรย์ว่าเออ แค่เอาน้ำนมมาลดตั้งจิตอธิษฐานนะถ้าหากว่าต้นโพนี่ไม่ฟืน้นไม่คืนกลับมาก็ยอมสละชีวิตมันก็ทำให้ต้นโพนี้งอขึ้นมาได้อีกมีความอาศจรรนี่มันจะมีอยู่อยู่ในประวัติของพระเจ้าคนก็พอใจฟังว่าเออมาฟังอย่างต้นสีมหมาโพจิตใจมันก็เบิกบานมันก็อิ่มเออ แล้วก็ไปไปตามขั้นตอนว่าเออมาขั้นนี้ก็ได้ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเรื่องราวในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าก็ทำให้มีความเบิกบานใจเพราะจิตมันยังไม่สามารถเข้ามาสงบนิ่งแน่วแน่อยู่ภายในมันก็ต้องอยู่ข้างนอกไปก่อนหรือว่าเอาสวดอะไรไปก่อนมุนีมุนีเออสวดไปมหามูนี ใจก็สบายสบายมีความปิติ เ, เมือ่อเบิกบานแล้วก็ซาทุสาทุใจก็สบายใจก็สงบระดับหนึ่งแต่ถ้าใครเข้าถึงความลึกซึง้งยิ่งสามารถให้จิตของเราเข้ามาอยู่กับตัวเราได้มากเท่าไหร่จิตของเราไม่สัดสายออกไปจิตของเราเข้ามาตับเข้ามาอยู่กับตัวเองได้มันก็ยิ่งมีความอัศจรรย์มากกว่าสิ่งเหล่านั้น ไอสิ่งเหล่านั้นมันเลยเหมือนเหมือนอยู่ข้างนอกๆ อ, อยู่ะจะกาบจะว่าจะสวดอะไรก็ตามที่มันให้เกิดปิติเกิดความเบิกบานมันก็ได้ระดับหนึ่งอ่ะจิตมันก็ยังวนเวียนวนเวียนอยู่กับสังขารทั้งหลายอ่ะอยู่กับสิ่งตุ้งแต่งแต่กับการที่เราเอาจิตของเราเข้ามาอยู่กับตัวเราเอาจิตของเรามาอยู่กับตัวเราเหมือนพระพุทธเจ้าคิดดูถ้าพระเจ้าตัดสั้แล้ว จิตของพระองค์จะอยู่ที่ไหนอะจิตของพระองค์ต้องเข้ามาอยู่กับตัวเองเพราะว่ามันไม่ยึดอะไรแล้วเนี่ยมันไม่ติดไม่คล้องอะไรแล้วเนี่ยมันไม่อะไรสําคัญแล้วอะเพราะมันเห็นหมดแล้วเนี่ยเหมือนเรามาเข้าใจอย่างนี้แหละแล้วการกราบการไหว้มันก็อาจทําไปตามความเหมาะสมอย่างน้อยก็เตรียมทําให้จิตใจเบิกบานจิตใจบอบื่อเบิบได้แสดงความเคารพคารวะใจน้อมเข้ามาเนี่ยมันก็มีความสงบระดับหนึ่งแต่ถ้าว่าจิตของเรามันเข้ามา อยู่กับตัวเองไม่สัดสายไปไหนมันก็เลยเหมือนกับว่าใจของเรานี่แหละมันเคารพอยู่ในตัวเองแล้วเพราะเรามีหลักฐานพยานคือจิตของเรามันเขารพจนกระทั่งประพฤติธปฏิบัติตามจนกระทั่งจิตของตัวเองเข้ามาอยู่ข้างในมันเคารพอยู่โดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติที่กรรมทั้งหลายมันก็เลยลดความสาคัญลงไปเพราะมันยังดึงจิตเราออกไปข้างนอกอยู่ มันยังไปสนใจทำนู่นทำนี่ถ้าหากว่าทำเพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนนิยาบทหรือว่าให้จิตของเราเนี่ยมันอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นมันเข้ามาอยู่ข้างในได้มากขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งมีความสำคัญกับการที่มันจะไปหวังบุญหวังกุศลหรือว่าเอาแค่วาให้มันสบายสบายได้ความเบิกบานได้ความอิ่มเ อ, อิบมันนั้นเล็กน้อยไปเลยถ้าจิตของใครเนี่ยมันเข้ามา มันกลับคืนมาแล้วมาอยู่กับตัวเองได้นี่แหละคุณของวุฒิยาวมันอยู่ตรงนี้เลยเของวุฒิยาวตัดสู้นี่คือไม่เอาอะไรแล้วอ่ะมันไม่จิตไม่เอาอะไรแล้วจิตก็ต้องแน่วแน่อยู่ที่ตัวเองอ่ะไม่ส่งกระแสไปทางไหนเลยเพราะไม่มีอะไรสําคัญอีกต่อไปแล้วจนกระทั่งจิตมันปล่อยมันวางมันเฉยมันไม่ได้เฉยเพราะไม่รู้มันเฉยเพราะรู้รู้แจ่มมันรู้จงกระทั่งว่าไม่เอาไม่ยึดแต่ไม่ใช่ว่าทิ้ง อันนี้อันนี้ถูกเคยถูกถามบ่อยมากปล่อยวางหมดแล้วมยึดอะไรแล้ว้จะมีชีวิตอยู่ยางไรถามบ่อยร่างกายก็ยัาอยู่รู้แล้วว่าร่างกายมันเป็นของที่เกิดมาแก่เจ็บมาตายมันตายจริงๆไม่ใช่มันไม่ตายมันตายทุกคนนั่งอยู่นี่ก็ต้องตายคนพูดก็ต้องตายแต่ว่าไม่ยึดใจเนี่ยมันรู้มันรู้แล้วมันก็เลยร่างกายเจ็บร่างกายป่วยร่างกายเป็นไข้ ใจก็ยังสบายได้เป็นปกติได้วรนรักษายังไงก็รักษาไปมีอยู่มี ย, มยาทามันดีขึ้นก็ต้องเอามารับประทานเอามาฉีดเอามาทาเอามาลูบมาไล้แล้วแต่เหตุผลนี่ทำได้หมดแต่ว่าทำด้วยจิตที่เป็นอิสระจิตที่ไม่หลงยึดมั่นถือมั่นอันหนึ่งทำด้วยความหลงกลัวเป็นกลัวตายกลัวมันไม่หายกลัวการพัดพราก วาสิ่งของที่ตัวเองมีอยู่จะเป็นสิทธิ์ของคนอื่นไปมันก็ยิ่งทุกทรมานอะ่ะกับคนหนึ่งยอมรับความจริงได้ตายก็ตายไม่ตายวันนี้ก็ตายในวันหน้าเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีหรือยิ่งกว่านั้นโอ้ยอยู่มันเป็นทุกข์ตายไปเลยก็จบแต่ต้องจิตต้องถึงพระนิพพานซะก่อนนะจิตพ้นทุกข์ซะก่อนมันถึงรู้สึกได้ว่า ยิ่งตายได้ยิ่งดีเพราะตัวเองก็จะหมดภาระหน้าที่หมายความว่ามันหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราทําดีที่สุดแล้วในชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่จะตําหนิตัวเองได้ความดีทั้งหลายก็ทําเต็มกําลังสติปัญญาความสามารถเท่าที่ตัวเองจะทําได้สิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าสอนก็ได้ประพฤติปฏิบัติเต็มกําลังสติปัญญาความสามารถแล้วสิ่งไหนที่พระองค์ทรงเข้าถึงหมายถึงว่าทุก มันก็สิ้นสุดแล้วพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วมันพร้อมที่จะตายทันทีเลยแต่มันต้องมีเหตุผลว่ามันถึงเวลาของมันไม่ใช่จะไปฆ่าตัวตายเพราะว่ามันยังมีประโยชน์อยู่ก็ต้องมีชีวิตต่อไปแต่มีชีวิตโดยที่ไม่ทุกข์นี่มันจึงอัศจรในคาสอนของพระพุทธเจ้าเวลามันระลึกถึงพระพุทธเจ้ามันก็ลึกซึ้งอ่ะเพราะมันรู้สึกได้ ว่าความอัศจรรย์มันก็อยู่ตรงนี้เองถ้าพระเจ้าไม่อุบัติขึ้นมาไม่มีใครหรอกที่จะรู้วิธีดับทุกรู้ทางดับทุกสอนให้เรารู้ทางดับทุกปฏิบัติเพื่อดับทุกในจิตใจเราได้มีแต่สอนให้เรายึดมั่นถือมั่นให้เรามีตัวมีตนสอนให้เรารุ่มหลงตั้งแต่เราเกิดมามีใครไหมที่จะมาสอนเราอ่ะเออชีวิตเรามันไม่แน่นอนหรอกเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตาย อย่าไปยึดอะไรเลยนะไม่มีอาจจะเรียนหนังสือก็ต้องเรียนเพื่อให้ได้งานดีๆได้เงินเยอะๆได้บ้านหลังใหญ่ๆโตๆมีเครื่องใช้ไม้สอยราคาแพงๆบริบูรณ์สมบูรณ์และถึงจะมีความสุขนี่คือสอนให้ให้มีความโลภสอนให้จิต ด, ดินน้นรนสอนให้ความคนเราเห็นแก่ตัวมากมากถ้าไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไป พวงดุลเข้าไปให้เกิดความสมดุลขึ้นเนี่ยไอความโลภความหลงอันนี้มันจะยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วตัวเองนั่นแหละจะเป็นทุกข์ทำอะไรมันก็จะมีแต่ตัวตนทั้งนั้นเลยพ่อเราแม่เราก็เป็นจริงเป็นจังไปหมดเลยเหมือนจะไม่ตายจากกันพี่เราน้องเราเราชื่อนี้ก็เป็นเหมือนเราจริงๆจังๆไปหมดแต่บัดนี้เรามาพบพระพุทธเจา้า แล้วก็มายังสถานที่ที่พระอตุตตรสรู้คือความจริงตรงนี้แหละตรงที่มันหายหลงเนี่ยมันหลงยึดนั่นหลงยึดนี่มีอะไรขึ้นมาก็เราก็หวังว่ามันจะเที่ยงว่ามันจะสุขตลอดไปมันจะดีตลอดไปดูสิความหลงเนี่ยมันมันตั้งเรื่องขึ้นมาทันทีเลยนะมุมมองภายในจิตเนี่ยเอาสิว่าใครมาบอกมาดีกับเราจิตเรามันจะบอกทันทีคนนี้ดีเหมือนจะดีตลอดไปแต่ความเป็นจริงเนเนี่ย อาจจะดีระยะหนึ่งแล้วต่อไปอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะคนเราก็มีกิเลสมีตัณหามีอุทานมีโลภมีโกรธมีหลงบางทีเราเองก็อาจจะโกรธก็ได้เบื่อหนายกันก็ได้มันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่เราไม่เข้าถึงความจริงตรงนี้เราคิดว่ามันจะต้องเที่ยงดีก็ต้องดีตลอดไปเขารักเราก็ต้องรักเราตลอดไปเขาเอาอกเอาใจเราต้องเอาอกเอาใจเราตลอดไปคล้ายๆมันต้องการเที่ยงนี่คือความหลงผิดได้อะไรมากั็ ได้สุขมาสุขเนี่ยไอความสุขทั้งโลกเนี่ยเรียกว่ามันมันทนได้ง่ายเรียกว่าสุขเนี่ยทนได้ง่ายทุกนี่มันทนได้ยากทั้งสุขและทุกเนี่ยมันก็ทําให้จิตของเราเนี่ยมันซัดสายเหมือนกันมันนม่เหมือนกับจิตที่มันรู้ความจริงแล้วมันเป็นอิสระมันเหนือสุขเหนือทุกมันจริงเป็นบรมสุกนี่แหละผู้ที่เจ้าเข้าถึงความจริงอันเนี้เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยจึงเป็นมหาบุรุษที่ อัศจรรย์ที่สุดเพราะถ้าไม่มีพระองค์ความหลงในจิตใจของเราเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่มันจะสลายไปได้เพราะนั้นเมื่อเรามายังสถานที่นี้จริงกระตุ้นจิตของเราเตือนจิตใจของเราให้ระ ล, ลึกถึงความจริงตรงนี้แหละมีความสำคัญมันอยู่ตรงนี้เตือนจิตตัวเองให้ได้เตือนจิตก็คือให้รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันก็แค่สมมติว่าเป็นเราเฉย เหมืร่างกายของเรานี่แหละมันก็รอวันเวลาที่จะต้องแตกดับสลายไปอยู่แนละ้วเหมือนกับเรากําลังเดินทางไปหาความตายกันบอกจิตเราเลยนี่แหละกําลังจะเดินทางไปสู่ความตายอยู่แล้วไอ้ร่างกายอันเนี้ยบางทีผู้เจ้าก็สอนสาวกเลยนะดูกรพิสูจน์ทั้งหลายชีวิตของคนเรานะมันเหมือนกับฟูงโคที่เขากําลังต้อนเข้าสู่โรงฆ่าสัตเหมือนฟูงโคเลยเขากําลังต้อนเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์เหมือนกับกำลังเดินทางไปหาความตาย ถ้าตัวไหนเนี่ยมันรู้โอ้จะไปเบียดเบียนตัวนั้นตัวนี้ไม่มีเลยนะแม้แต่คิดก็ไม่กล้าเพราะมันรู้แล้วว่าจะต้องตายเนี่ยตายเหมือนกันอะแต่ถ้าตัวไหนมันไม่รู้อ่ะมันประมาดอะมันก็คิดตัวนั้นคิดตัวนี้โอดเครืองตัวนั้นโกดเครื่องตัวนี้หลังแกตัวนั้นตัวนี้เบียดเบียนตัวนั้นตัวนี้เพราะอำนาจความหลงถ้าเรารู้ว่านี่กําลังเดินทางไปหาความตายไอ้ความหลงตรงนี้มันก็จะลดลงไปอะ ไอ้อาตาตัวตนนี่มันก็จะได้ลดลงไปมันก็จะได้ย้ำกับตัวเองบ่อยๆว่าเออเนี่ยมันจะต้องตายแล้วนะมันต้องตายแล้วนะก่อนจะตายเนี่ยมันจะทำชีวิตเราให้เป็นยังไงอะจะให้หลงต่อไปหรอหรือว่าจต้องพยายามทำลายความหลงอันเนี้ยอย่างน้อยห้มันเราน้อยลงไปอย่างน้อยให้แน่ใจว่าเออเรารู้ทางแล้วละ่ะรู้ทางแล้วก็จะพยายามเดินตามทางของพระเจ้านี่ละ่ะ ก็จะมีที่พึ่งมีหลักของจิตใจกันจิตใจเองอผู้เจ้าเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วเนี่ยไอ้ตัวจิตเนี่ยมันเป็นแค่ธรรมชาติเป็นนามธรรมด้วยไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงมันเป็นตัวเราเพราะความหลงนี่หละมันจึงมีทุกข์พะในจิตเองก็มันคิดนึกปรุงแต่งได้ตามธรรมชาติของมันมันก็คิดได้ทั้งดีและไม่ดีด้วยอนาจของกรรม คือธรรมชาติอันหนึ่งที่เราเคยกระทํามาแล้วมันก็สั่งสมเอาไว้ในจิตในวิญญาณของเรานี่แหละแล้วมันก่อเกิดเป็นคุณภาพของจิตเราเพราะบางครั้งจิตเรามันงคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างสุขบ้างทุกบ้างอยู่เนี้ยพอมเป็นระบบของจิตระบบของธรรมชาติที่มันเคยสั่งสมมาแต่อาศัยพระพุทธเจ้า มหาบุรุษผู้ซึ่งสละชีวิตมานั่งอยู่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์พร้อมด้วยอธิษฐานจิตว่าถ้าเราไม่บรรลุธรรมคือไม่รู้ความจริงแจ้งชัดตามความเป็นจริงด้วยกำลังของลูกผู้ชายอย่างเราเราจะไม่รู้จากบันหลังไม่ลู้จากที่นั่งตรงนี้นั่งตายเลยแสดงถึงความเด็ดขาด ความเข้มแข็งความแข็งแกร่งมุ่ง ม, มั่นบากบานจริงเพราะนั้นเราก็ต้องกระตุ้นจิตเราให้มีความมุ่ง ม, มั่นบากบันอย่างพระองค์เพราะเรารู้แล้วชีวิตเรามันมีทุกจริงทุกเพราะความหลงจริงต้องหาทางทำลายความหลงให้ได้ความหลงก็ทำให้หลงว่ามีตัวเราเป็นตัวเราเป็นของเราแต่ผู้ที่ตัดสรูแร้แล้วบรรลุแล้ว เป็นเราโดยสมมติเฉยเป็นเราชั่วคราวอย่างร่างกายก็เป็นเราชั่วคราวจิตใจถ้าเข้าถึงความจริงเมื่อไหร่มันเป็นธรรมชาติทันทีเลยความเป็นเราจะดับหมดเลยผลความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันเป็นแค่ความรู้สึกเป็นแค่ความรู้สึกไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่มากมายเป็นความรู้สึกที่เกิดจากความหลงเราจึงทำนู่นทํานี่เพราะความรู้สึกว่าเป็นเรานี่แหละเป็นตัวเป็นตนของเรานี่แหละเพราะความหลงของเรา เราจึงเที่ยวทำนูน่นทำนี่สำคัญตัวสำคัญตนยิ่งใหญ่เราเก่งเราดีเราวิเศษก็พราความหลงเราอย่างนั้นเราอย่างนี้เขาอย่างนั้นเขานีงก็มาจากความหลงทํามันไม่หลงแล้วมันจะอยู่กับตัวเองอะไรควรทําก็ทําไปควรเกี่ยวข้องกันยังไงเกี่ยวข้องไปโดยยอมมองหาช่องทางแต่ว่าต้องไม่มีทุกเด็ดขาด ถ้าใครยังทุกข์อยู่ก็แสดงยังหลงมีตัวมีตนแต่ถ้าพ้นแล้วไม่ทุกข์ทุกข์กายก็มีบ้างทุกข์เพราะยังดําเนินชีวิตอยู่มีเล็กๆน้อยๆนิดๆห น, น่อยๆวูบวาบเป็นอาการซึ่งละคายเครืองนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ถึงกับเป็นทุกข์ในถ้าเทียบเคียงกับชาวโลกซึ่งยังมีความลุ่มหลง ผู้ที่ไม่หลงแล้วเนี่ยภาวะที่มันเป็นอิสระจริงๆที่มันขาดออกไปจากทุกสิ่งทุกอย่างกับภาวะที่มาเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกมันก็ยังมีความระคายเคืองเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ถึงกับเข้าไปทุกในจิตใจแต่รู้สึกว่าความสบายความสุขความสงบร่มเย็นมันแตกต่างกันเท่านั้นเองเพราะมันมีการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นบางครัง้งบางคราวพระเจ้าก็สอนสาวกของพระงว่า ไม่ให้ลัดเลยการที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิแม้พระองค์ก็เหมือนกันบางครั้งพระองค์ต้องเข้าไปอยู่ในป่าเขานี้โลดสมาบัติทำสมาธิลุกซึ้งเข้าไปหลายหลายวันเพราะว่าจิตมันละเอียดอ่อนจิตมันสงบลมเย็นแค่จิตเป็นอิสระมันว่างมันปลอดโปรง่งมันไม่ีอะไรคอบงำ ไม่มีอารมณ์อะไรเข้าไปเจือปนเนี่ยมันก็สบายขนาดก็รู้สึกได้ถึงความสงบความสุขความสบายอยู่ภายในและไอความว่างเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อไปข้างนอกได้เนี่ยมันอัศาจรรย์มากเชื่อมต่อกับพลังงานข้างนอกได้เหมือนเป็นอันเดียวกับจั ก, กรวาลพูดอะไรออกไปเหมือนกับมีผู้รับรองอยู่รับรู้กันอยู่อะไรอย่างเนี้ย เพราะมันจริงมีความเบิกบานมีความอิ่มเอิบมีความสงบร่มเย็นถ้าใเห็นใครกำลังทุกข์อยู่ก็สงสารพอรู้ว่าเขากำลังหลงแต่เขาไม่รู้ว่าตัวเองหลงนี่มันน่าสงสารมากขึ้นไปอีกแล้วให้ทำยังไงอะ่ะก็อุเบกขาเท่านั้นเองทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าคนที่มีศรัทธาความศรัทธาเลื่อมใสถ้าสนใจ มาพูดมาคุยมาซักมาถามหรือว่าพอที่จะถักเตือนกันได้สอนกันได้บอกกันได้พอใจที่จะได้ยินได้ฟังอย่างพวกเราเนี้ยมันก็สามารถที่จะเอามาพูดกันมาบอกกันมาชี้แจงแสดงให้ฟังถ้าจิตของใครมีความศรัทธาแรงกล้าสามารถที่จะรับเข้าไปได้มากมันก็ลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตใจพระพุทธเจ้า บอกว่าถ้าใครก็ตามมีความศรัทธาเชื่อในคำสอนของพุทธเจ้านี่แหละเชื่อว่าไม่มีอะไรหรอกเป็นของเราเป็นตัวเราเชื่อเด็ดขา ล, ลงไปเลยไม่มีอะไรติดไม่ให้อะไรข้องแล้วเครื่องใช้ไม้สอยก็มีใช้ไปสมมุติว่าเป็นของเราเฉยเฉยถ้าเราตายลงไปก็ทิ้งมันเพ่อไม่ให้จิตติดข้องอะไรเลยเพราะว่าเราปล่อยวางไม่ใช่ทิ้งเดี๋ยวเราจะไปเสียดายอะไรอวบ์เหมือนกับมันห่วงใยอะไร มีครั้งหนึ่งอาตมาอยู่ที่วัดดอยธรรมเจเดีอ่ะมันก็มีหนุ่มสาวเข้าไปในวัดเหมือนเขาก็จะเป็นคนมีศรัทธาก็จะไปปฏิบัติเขาก็ไปพักอยู่สองสามวันแต่ว่าวันที่สามเนี่ยเขาพบกับอาตมาโดยบังเอิญเขาก็เลยท่านอาจารย์เจ้าค่ะไอความรู้สึกอะไรอาวรณ์นี้ทำไมมันเหนียวแน่นเหลือเกินนั่นก็คือเขากลัวที่จะ ปล่อยความรักของเขาพอเขาเราเข้าใจพอเขาพูดปั๊บเข้าใจว่าอ๋อเข้ามากับแฟนของเขาทีนี้พอมันมีอารมณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีความอะไรอาวบนอยู่มันจะไปตัดออกไปมันเหมือนกับมันอะไรอ่ะคนที่จะตัดคนที่จะละคนจะปล่อยจะวางเนี่ยมันเหมือนมีความอะไรเหมือนจะเชื้อเฉือนอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปแต่ถ้าคนที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกอย่างนั้นอ่ะมันเป็นอิสระ คือเขายังไม่พบความสุขที่สูงกว่านั้นความสุขสงบสงดความสุขที่ละเอียดกว่าไอ้กา ม, มาสุขตรงที่เขากำลังอะไรอาวอลอยู่นั้นเราเข้าใจเขาเราก็บอกให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่เป็นไรหรอกค่อยๆดูไปสังเกตไปเนี่ยมันจะค่อยๆรู้ขึ้นมาก็ไม่แล้วจะให้บอกยังไงอะ่ะมันก็ต้องรู้ไปดูไปสะกก่อนจนจิตมันมีกาลังเพิ่มขึ้นสติปัญญามันมากขึ้นมันถึงจะปล่อยวางได้ เพราะมันยังไม่ถึงขั้นที่เขาจะรู้ความจริงจะปล่อยวางตรงนั้นได้ก็ต้องฝึกสติไปก่อนมันมาก็ต้องสู้ดูกันไปก่อนแต่จริงๆแล้วมันแค่ปล่อยวางทางจิตจิตมันวางได้มันวางได้แล้วมันควรทำยังไงมันจะรู้ของมันทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าถ้าใครก็ตามนะมีความศรัทธาคือเรียกว่าศรัทธานุสารีมีศรัทธานหน้าเลยเชื่อเด็ดลงไปเลยร่างกายก็ต้องตายแน่ มีร่างกายไม่ใช่ของเราปากจิตเข้าไปหาจิตทิ้งวิถนาที่เกิดกับร่างกายมันก็ไม่ใช่ของเราแน่นอนเพราะในเมื่อร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแล้ววิถนาที่เกิดกับกายก็ไม่ใช่ของเราทิ้งให้จิตนี่มันเหมือนกับปล่อยเสื้อผ้าแพพันเครื่องใช้ไม้สอยเอามาเพื่อร่างกายปกปิดร่างกายให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายปกป้องร่างกายในเมื่อร่างกายก็ไม่ใช่ของเราสิ้นแล้วนี้ วางลงไปออกมาแล้วถ้ามีกายอยู่ค่อยว่าการค่อยเอามาใช้มาสอยให้มันเข้าใจซะ ก, ก่อนคล้ายๆปักเข้าไปสอนจิตเข้าไปมันจะเห็นความจริงไม่เห็นความจริงไม่เป็นไรคือเชื่อไว้ก่อนพอพระเจ้านี่สอนความจริงเราต้องเชื่อเรียวกว่าใช้ศรัทธา น, นำเขาเรียกสัทธานุสารีเชื่อแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่ตามสภาพของมันขันห้า เอาละมันไม่ใช่ของเราแน่นอนจะเห็นหรือไม่เห็นก็าตามแต่เชื่อเชื่อเชื่อดิ่งลงไปน้อมดิ่งลงไปแล้วก็พยายามดําเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักอริยมรรคมีองค์แปดถ้าทําได้อย่างนี้พระเจ้าพยากรณ์ว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนนั้นจะตายโดยที่ไม่บรรลุพระโสดาบัณบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบัณบุคคลก็คือให้เชื่อคําสอนของพระเจ้าเด็ดขาดลงไปเชื่อก็คือเชื่อ เอาตรงนี้เลยตรงความจริงที่ผู้เจ้าตรัสรู้นี่แหละก็<ๆ><ๆ>คือว่ามีอะไรเป็นของเราเนี่ยร่างกายไม่ใช่ของเราแน่นอนเพราะมันต้องตายจริงๆพูดเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตายเราจะกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายเชื่อก็ตายไม่เชื่อก็ตายคือความจริงมันจะต้องเป็นความจริงอยู่อย่างนั้นน่ะเรารู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามความจริงก็องเป็นความจริงอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเราเข้าถึงความจริงเมื่ อ, อไหร่จิตมันจะปล่อยวางมันจะเป็นอิสระภาพ ถ้าจิตเป็นนสระความทุกข์ก็เข้าไปครอบงํามไม่ได้ถ้าหาว่าคิดตามภาษาโลกที่มันยังหลงอารมณ์อยู่นะยังหลงตัวหลงตนหลงข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยอะไรอาวอนกับคนนั้นคนนี้มีลูกมีสามีภรรยามีข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยก็จะรู้สึกว่าอะไรเหมือนกับว่าตัวเองจะหลุดออกไปจากสิ่งเหล่านี้ แต่ผู้ที่เข้าถึงแล้วเนี่ยมันกลับเป็นความสุขความสบายที่สุดเป็นอิสระที่สุดมีก็มีได้แต่จะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นด้วยความเหมาะสมด้วยจิตใจที่ไม่มีทุกข์อีกต่อไปมันมีความละเอียดอ่อนมีความประณีตมีความลึกซึ้งมากกว่ากันกับการที่ไม่รู้แล้วมันก็อธิบายให้กันฟังก็ไม่ค่อยได้ก็ได้พูด พูดแต่พูดเพื่อให้เข้าใจได้เท่านั้นส่วนสภาพะว่าความเป็นจริงเนี่ยมันอยู่ที่ใจมันเกิดขึ้นที่ใจเพราะนั้นผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยถ้าใครพยายามประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเรื่อยไปจิตใจมันก็จะเข้าใกล้จุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วเข้าถึงแล้วเหมือนกัน แล้วความทุกข์ก็จะน้อยลงไปปัญหาก็จะลดลงไปด้วยเพราะนั้นถ้าใครเชื่อปักเชื่อดิ่งลงไปไม่มีอะไรเป็นของเราได้เด็ดขาดเลยไม่อะไรอาวอนอะไรทั้งนั้นก่อนจะตายต้องบรรลุปัฏฐานซะก่อนถ้าไม่งั้นตายไม่ได้เพราะนั้นเราปักหลักเลยเชื่อพระพุทธเจ้าลงไปก็ได้ยิ่งมาสถานที่นี้เนี่ยมีประจักษ์มีพยานเลยนะว่าสถานที่ตรงนี้แหละ ที่มีมหาบุรุษคนหนึ่งสร้างบาลามีจนกระทั่งเข้าถึงความจริงหมดจดจิตใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอิสระภาพขึ้นมาเป็นอิสระทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจิตไม่ยึดไม่ติดไม่ค้องไม่อะไรอาวอนสิ่งใดเลยวันนี้เรามาที่นี่เหมือนจะตามเข้ามาเลยมาดูให้เห็นประจักษ์ แก ต, ตาแก่ใจเรามันจะได้ตอกย้ําลงไปที่จิตของเราไม่งั้นเหมือนเลื่อนลอยเหมือนมีก็มีไปแต่อันนี้เราขาข้ามน้ําข้ามทะเลมาเดินทางมาด้วยความเหนื่อยยากลําบากดันโดนมาตามดูร่องรอยของมหาบุรุษผู้ที่รู้แจ้งด้วยพระองค์เองจนกระทั่ง จิตเป็นอิสระได้จริงเป็นพระองค์แรกแล้วก็ยังทรงสั่งสอนให้สาวกได้รู้ตามเราก็เป็นสาวกคนหนึ่งของพระพุทธเจ้าเราก็กระตุ้นเตือนจิตของเราให้รู้ว่าหน้าที่ของความเป็นมนุษย์คืออะไรกันแน่เกิดตายเกิดตายอยู่างนี้เหรอแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเกิดแก่เจ็บตายเวียนเกิดเวียนตายไม่ต่างจากสัตว์ มันจะมีค่าก็ต่อเมื่อเราศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีธรรมะขึ้นมาเพื่อที่จะให้จิตของเราเดินทางไปสู่ความเป็นอิสระในขณะที่ปฏิบัติถ้ามันถูกทางความทุกข์ต้องน้อยลงไปปัญหาต้องลดลงไปไม่ใช่อัตตาตัวตนมันยิ่งใหญ่ขึ้นความสําคัญตัวสําคัญตนมันมากขึ้นอันนี้เึงความหลงชนิดหนึ่ง ไม่ถูกต้องถ้าปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะลดตัวลดตนอย่างเดียวนะลดตัวลดตนเหมือนกับสุนัขอะเวลามันยอมแพ้กันเนี่ยนอนหงายท้องเลยเหมือนกับแบบเหมือนคือมันถ่อมตัวซะจนทำเป็นหงอไปไอ้มันก็เหมือนเสียแซงมันไม่เป็นธรรมชาติอันนี้มันให้มันรู้ความจริงรู้ความจริงแล้วมันลดลงแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็น ลดหางเหมือนวัวเวลามันกลัวนี่หางมันจะต่ําลงหดเข้าไปใต้ท้องเลยหูก็ลู่ลงไปเวลาตัวตนมันก่อเกิดก็ยกหูขึ้นหูชันหางชันขึ้นมามันก็เลยยกหูชูหางอีกอันหนึ่งก็หูก็ตกหางก็หดอันนี้มันก็ไม่พอดีอะ่ะอันนี้สมควรเป็นยังไงมันสมควรเป็นไปเพราะว่าด้วยกําลังของสติปัญญาของเราอะ แล้วการที่มันจะเห็นความจริงเนี่ยนอกจากเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วขั้นต้นนีนเชื่อก่อนนี่เป็นสมาธิที่ข้อที่สําคัญที่สุดก็เชื่อการตัดสู่ของพระพุทธเจ้าเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อมาก็พยายามปฏิบัติตามทําอะไรอยู่ก็ให้มีเป้าหมายอยู่อย่างเนี้ยแล้วหน้าที่ของการเกิดเป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเกิดมาเพื่อที่จะสแสวงหาทางที่จะไม่เกิดอีก เพราะเกิดตายเกิดตายมันไม่มีอะไรจริงๆคิดดูก็แล้วกันพระเจ้าท่านรู้อ่ะท่านเห็นแล้วอ่ะเข้าใจหมดจดแล้วอ่ะจนถึงความเป็นอิสระแล้วอ่ะมันเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะท่านก็พยายามที่กระตุ้นเตือนให้สาวกนี่ปฏิบัติกันหาทางปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระถ้าใครยังอะไรอววรอยู่เนี่ยก็แสดงว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแะไม่ได้ทิ้งอย่าไปคิดว่ามันต้องทิ้ง ให้จิตของเราเนี่ยมันรู้มันรู้ออย่างร่างกายนี่ก็แค่อาศัยอยู่โดยเฉพาะอาศัยเพื่อปฏิบัติธรรมนี่แหละเพื่อจิตใจของเราให้มันรู้ความจริงให้เร็วที่สุดมันจะได้หายโง่หายหลงความทุกข์ก็จะได้หมดสิ้นไปหรือว่าเอาได้แค่ไหนก็จะเอาสัทธานุสาลีสัทธาน้ำก่อนก็ได้เชื่อลงไปเลยดิ่งลงไปเลย ครูเจ้าสอนอะไรเอาเชื่อมั่นลงไปแล้วก็พยายามปฏิบัติตามอย่างน้อยก็พอมีความหวังอะ่ะพบชาติกัจะสั้นลงแล้วหรือว่าใครเริ่มเห็นแล้วพ่อติบัติไปบางทีมก็เห็นขึ้นมากายก็อยู่ส่วนกายเนี่ยเวทนาก็อยู่ส่วนเวทนาเนี่ยจิตก็เป็นจิตเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราอะจิตแค่ดูหรืออะไรโผล่มา ก, ก็ตามเราแค่ดูพยายามเป็นผู้ดูเฉยๆดูเฉยๆไม่ปรุงไม่แต่งไม่ต้องถลําเข้าไปไม่ต้องปรุงแต่งมัน ไม่ต้องตัดสินมันแค่ตั้งหลักเอาไว้อะไรมันจะดีไม่ดีตั้งหลักอย่างเดียวเช่นร่างกายมันแน่นขึ้นมาอึดอัดขึ้นมาจะเป็นจะตายขึ้นมาดูเฉยเฉยเราเป็นผู้ดูนี่ตั้งหลักอย่างนี้เลยอะไรผ่านเข้ามาดีวิเศษขนาดไหนเราก็แค่เป็นผู้ดูถ้าใครทำได้เนี่ยจิตมีหลักแล้วที่นี่ไม่แต่ความคิดจะดีวิเศษขนาดไหนเราพยายามเป็นผู้ดูคิดไม่ดีขึ้นมา ก็ต้องเป็นผู้ดูอีกอย่าไปหลงว่าเป็นเราคือไม่ถล้ำเข้าไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราคือพยายามที่จะให้เราเป็นอิสระมันจะเป็นอิสระได้ก็ต่อเมื่อมันมีปัญญาญาณเกิดขึ้นมันต้องรู้ความจริงเพราะยังมันจึงต้องมีความเพียรเพราะพระเจ้าจึงสอนให้มุ่งมั่นบากบัน่นไม่ท้อถอยมีอุปสรรคก็ตามอุปสรรคนี้ถ้าเราถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราแก้ปัญหาได้แสดงปัญญาของเราต้องมากปัญหามาก ปัญญาก็มากทุกมากปัญญาก็มากทุกมากสุขก็มากไม่ต้องกลัวอะไรเลยทีนี้แค่รักษาจิตเป็นกลางไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็ใช่ไม่เอาอะไรก็ใช่ปล่อยวางก็ใช่นี่ธรรมะมันก็หลั่งไหลเข้ามาสิมันเกิดแล้วก็ดับก็ใช่มันเกิดแล้วไม่ดับช่างหัวมันเพราะมันดับไปจากจิตเราความหมายคือจิตเราเป็นกลางจิตเราไม่ไปยึดจิตเราปล่อยถ้าใครเห็นว่าเออมันเกิดแล้วก็ดับมันไม่ใช่ของเราบ้างเนี่ยมีเห็นแล้วเห็นแล้ว พระ อ, องค์เรียกว่าเห็นธรมธรมทำมาหนุสารีมีธรรมนาหน้ามีธรรมเป็นตัวนำแล้วอันแรกนี่สัตนามอันที่สองนี่ธรรมะนาเห็นพอเห็นขึ้นมารู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเราขึ้นมานี่ยธรรมะเป็นของเราทีแรกเชื่อพระเจ้าก่อนไม่มีอะไรเป็นของเราเนี่ยเชื่อแต่พอปฏิบัติเข้ามาเห็นพระเจ้าก็พยากรณ์อีกการปฏิบัตินี้ก็เรียกว่าเดินตามทางของอริยมรดําเนินชีวิตไปไม่ทิ้งทางของอริยมรดเป็นไปไม่ได้ ที่คนที่มีธรรมานุษาลีนี้จะตายก่อนที่จะบรรลุพระโสดาบันเดี๋ยวว่าต้องบรรลุพระโสดาบันชาตินี้ก่อนตายมีทางออกเลยเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยพระเจ้าก็บอกทางเลยหมดยิ่งถ้าใครเริ่มเห็นแล้วโอ้ oh, มันไม่ใช่ของเราก็ปฏิบัติให้มันเห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นสามารถบรรลุพระโสดาบันไม่ต้องรอกใกล้จะตายเลยทีนี้เอาพระโสดาบันเลยก็คือทิ้งหมดเลยไม่เอาอะไรโผลมาตั้งใจ วางจิตไว้ให้เป็นกลางแน่วแน่อยู่ข้างในไม่ยินดีไม่ยินร้ายถ้าหว่าจีจะไม่มีกําลังท่องไว้ก่อนก็ได้คือขณะที่ท่องเล่มมันก็จะพินาไปด้วยมันจะอบรมจิตไปด้วยสอนจิตแบบรัดตรงเข้าไปเลยพราอผู้เจ้าสอนแล้วมีความเพียรมีสัมประชามีมสติกําจัดความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียได้ก็คือไม่ยินดีไม่ยินร้ายนั่นแหละให้จิตเป็นกลางๆงไว้มันก็ปล่อยวางไปในตัวเลยจริงไม่เอามายึดจิตจะไปไม่เอาไปทําไมไม่มีอะไร มันจะเป็นเราได้ยังไงเพราะร่างกายก็ต้องตายจิตใจก็เป็นนามนรรมรทำเฉยๆเป็นธรรมชาตินี่พระเจ้าเข้าถึงแล้วตรงนี้เราเป็นสาวบไม่เชื่อตามพระเจ้าแล้วเชื่อใครจะเชื่อกิเลสตัณหาอุปาทานเหรอก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่งี้แหละจะไปเชื่อคนนั้นคนนี้เหรอก็มีกิเลสตัณหาอุปาทานเหมือนกันน่ะเยอะได้ยังไงมันเชื่อไม่ได้เราเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะเชื่อตามอำนาจของความหลงของตัวเองความหลงของคนดืน พอหรือได้หรื อ, อยังอ่ะที่นี่เอาพ อ, อเรามาตรงนี้แล้วก็นี่แหละถ้าใครว่าเออต่อไปนี้เราจะเดินตามทางของพุทธเจ้าจะปฏิบัติตามพุทธเจ้าโอ้อย่างนี้คุ้มค่าแล้วเพราะภพชาติมันจะสั้นลงทันทีเลยแค่ตั้งใจนี่มันก็โอ้หิตใจมันก็เข้มแข็งขึข้น ม, ม, ม, ม, มาแล้วนี่มารู้เหมือนคนรู้ทางอ่ะแต่ก่อนหลงทางตกหลุมตกบอ่อตกเขวลุมทานเพลิงบ้างลุมหมุดลุมขูดสารพัดไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเวลาทุกข์ก็ควรคลาง พอมีอะไรมาล่อน่อยก็ลืมไปหมดมันลืมกันง่ายเพราะความหลงเพราะนั้นปักเข้าไปที่จิตของเราไม่ยินดีมียินร้ายถ้ามันเห็นความจริงบ้างก็เรียกว่าทำมานุสารีหรือถ้าหาว่าใครปฏิบัติเอาให้จริงให้จังขึ้นมาเห็นมันแจ้งชัดเด็ดขาดลงไปได้เห็นชัดเจนสักครั้งหนึ่งว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราด้วยอํานาจของอริยมรรคคือเห็นอริยสัจสนั่นแหละเวลาพระเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในอริยสัจสีคือที่แรกพระองค์รู้ก่อนว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเนี่ย รู้เห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยเห็นทุกเห็นมันอยู่ตามธรรมชาติของมันพอเห็นว่ามันมันไม่มีอะไรมันเป็นทุกข์มันเป็นสภาวะทุกข์มันเป็นความว่างเปล่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันเหตุแห่งทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้เพรจะทําอะไรเพื่อตัวเราตัณหามันก็ไม่เกิดขึ้นมันไม่มีทําอะไรเพื่อตัวเราไม่มีมันก็ไม่มีตัณหาไม่มีความอยากไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานไม่เห็นไม่มีเหตุแห่งทุกข์ทุกข์ก็ดับเป็นนิโรธเห็นไปทีละเล็กทีละน้อยพระเจ้าบอกเนี่ยเรียกว่า เวลาปฏิบัติท่านถึงเราทํามานุธรรมะปฏิปติปฏิบัติให้ทําย่อยๆปล่อยไปสู่ธรรมใหญ่ๆคือความไม่มีอะไรถ้ามไม่มีอะไรมันจะปล่อยวางถึงพันิพานเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าแจ้งขึ้นชัดขึ้นชัดเด็ดขาดโอ้เวลามันชัดเนี่บางทีมันน้ําตาร่วงเลยก็มีนะแบบแต่ไม่ใช่ร่วงแบบเสียอกเสียใจหรือว่าแบบปีติแบบสมถะสมาธินะมันเห็นธรรมชัดแจ้งอะเห็นความจริงอะ่ะ บางทีมันอุทานอย่างรุนแรงก็มีนะโอ้โหยเราหลงมากี่พบกี่ชาติกี่กากี่กันแล้วเนี่ยคล้ายๆมันอยากตะโกนให้กล่องโลกอย่างนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกของจิตนี่นะมันอดทนภาคเพียนพยายามมาจนมันเห็นในจิตอ่ะเห็นชัดอยู่ในจิตอ่ะจิตมันก็อยากตะโกนให้มันกล่องโลกให้มันสะใจให้มันโอ้โหยทําไมมันหลงเหลือเกินเนี่ยแต่ตอนหลงโยไม่รู้ว่าหลงโอ้โหยลําบากที่สุดเลยนะ ทำอะไรก็ไปสเปสะปะไปเหมือนคนหลงทางอ่ะแต่ไม่รู้ว่าหลงทางอ่ะคิดดูก็แล้วกันอ่ะมันก็ยังชมนกชมไม้เก็บดอกไม้เก็บผลลไม้ดูหินดูดินดูทรายดูต้นไม้ถูเขาเรื่อยตื่อยไปชมนกชมไม้ชมป่าชมเขาแต่ไม่รู้ว่าตัวเองหลงอยู่อะ่ะก็เลยมาหลงชมป่าชมเขาไปเรื่อยเพราะรู้ว่าตัวเองหลงอะ่ะก็ตายไปแล้ว กตายเกิดตายเกิดอยู่ชมนกชมไม้ไปเวียนเกิดเวียนตายอยู่เกิดมาแล้วก็ชมนกชมไม้เวียนเกิดเวียนตายอยู่ทะลุหลงอะไรเอาไม่ได้แล้วจะ่ามัวมาหลงวนเวียนอย่างนี้ไม่ไหวต้องหาทางออกการบรรลุกสุตดาบ r m เกิดดีไม่เกินเจชาติหรือสมชาติหรือหนึ่งชาติหรือใครมึ่งมันเอาพ้นทุกชาตินี้ก็มีกสุสดาบ r m ก็สามารถบรรลุทำชาตินี้ได้คือมันชัดเจนชัดเจนแล้ว ไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วแต่ก็ต้องเพียรพยายามนะเวลาพูดนี่มันก็เร็วรัดสั้นอ่ะแต่เวลาปฏิบัติมันก็มีอุปสรรคบ้างอ่ะโอ้ โ, โหเราหลงมางกี่กลับกี่กันแล้วมันก็อดไม่ได้อ่ะอดสเปสสะปะไปไม่ได้พอมันทุกขึ้นมาเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดกลับมาใหม่มันก็ย้อนไปย้อนมาสู้ไปสู้มาอินเสียแ ก, ก่แ ก, กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นมันต้องรู้ความจริงจนได้อ่ะจะเอาหรือเปล่าเท่านั้นแหละวันนี้มันนั่งอยู่เนี่ย สถานที่พระเจ้าตัดสรุแล้วมีบุคคลเป็นพยานหลักฐานเนี่ยเป็นคนที่ตัดสรุปเป็นคนแรกเลยอ่ะเรายกย่องพระองค์ว่าประเสริฐสูงสุดก็คือตรงนี้เองอย่างอื่นน่ะพระองค์ก็มีครบถ้วนที่พระองค์เอามาสอนน่ะมันตรงนี้ต่างหากที่พระองค์อยากให้ทุกคนรู้อยากให้คนทุกคนเข้าถึงน่ะผละความอัศจรรย์มันจึงอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองไออย่างอื่นมันจึงมองไปโอ้ยก็ทําไปทําไป ก็ทําทก็รู้ว่าเออเขาทําไปตามขั้นตอนของจิตเนี่ยคืออยู่ความเข้าถึงของเขาเขาจะกราบเขาจะสวดมอนต์อ้อนวอนอะไรต่ออะไรเขาก็ทําไปได้มันไม่ไม่เป็นไรเพราะเราเข้ามาเราจะรู้สึกว่าเออใครจะทําอะไรก็ทําไปมันก็ดีอย่างหนึ่งนะมันก็ฝึกทําให้จิตใจเป็นกลางยอมรับความจริงได้เราก็ได้เอาไปใช้เวลาเห็นคนนั้นคนนี้ไม่ถูกใจมันจะได้ไม่บุบบ้าบอกไปมันก็ได้เปรียบเทียบ ว, ว่าเอาเอเรามาที่เนี่ยใครทําอะไรเราก็ วางใจเป็นกลางเ อ, อ่ยอมรับความจริงเขาทําไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาถือว่าเขาเดินมันเต็มเราก็หลีกๆนีเขาบ้างขอทางไปบ้างเพียงแต่จิตของเราเนี่ยมันไม่มีทุกข์มันไม่เดือดร้อนอน่ะเี่เราก็เอาไปใช้มันก็เป็นหลักเดียวกันนี่แหละแต่บางทีเราเราไออานาจของความยึดของเรากับบางบางที่เราปล่อยวางได้กับบางที่เรายึดเราติดเราข้องกับบางคนเราปล่อยวางได้กับบางคนเราปล่อยวางไม่ได้เราก็ต้องเอาคนที่เราปล่อยวางไม่ได้มาศึกษา เออคนนี้ต้องระวังเดี๋ยวมันปีติขึ้นมาอยู่เรื่อยปีติขึ้นมาอยู่เรื่อยคุมมันไว้ไม่ให้มันออกไปอย่าให้พอใจให้มันปี๊ิออกมาไม่ปีติออกมาแล้วจะเราเราจะยิ่งใหญ่เราจะสําคัญเราจะดีกว่าเขาได้กดเขาได้คมเขาแล้วมันดีมันวิเศษมันไม่ใช่มันสร้างอัตตาตัวตนสร้างความรุ่มหลงให้กับตัวเองสร้างความเคยชินให้กับจิตตัวเองต้องคุมมันไว้ ทรมานมันนี่นี่ะมันจะค่อยอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงอย่างน้อยให้มันอยู่ข้างในเหมือนกับขังมันเอาไว้เอี่ยงมันออกมาอาละวาดมันก็จะเบาลงลดตัวลดตนลงไปสุดท้ายกําลังมันก็อ่อนลงอ่อนลงเหมือนเสือเสือเนี่ยเราฆ่ามันไม่ได้ใช้วิธีไม่ให้อาหารมันหาทางไม่ให้อาหารมันให้มันหิวให้มันผอมให้มันโซให้มันตายไปอารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันไมาให้เหยื่อมันไม่ทําตามมันอะถ้าไปทําตามมันเหมือนให้เหยื่อมัน นี่มันก็อ้วนขึ้นมีกำลังมากขึ้นเราก็แก้มันไม่ได้อาต่อปีนี้จะให้เราสำรวมจิตใจนะจะให้ดูตัวเองสักระยะหนึ่งนะตอนนี้ก็สองทุ่มสาสิบดนาทีเราจะมีเวลาอีกสักประมาณ1ิบนาทีนะสิบหรือยี่สิบนาทีเพราะว่าเราจะต้องเตรียมตัวเห็นว่าสามทุ่มปิดนะสำรวมจิตใจดีๆนะเอาหลังกายของเรา จิตใจเราบูชาพระพุทธเจ้าเนตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติด้วยการไม่เอาอะไรรัดสั้นมันเลยร่างกายก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วเมือ่อร่างกายไม่ใช่ของเราเข้าปลาอาหารก็มาบำรุงเพื่อร่างกายเท่านั้นเองก็ไม่ต้องไปให้ความสําคัญอะไรมันมากเสื้อผ้าแพรพันเอามาห่อหุ้มร่างกายก็เอาพอมันมีชีวิตอยู่ได้ไม่ต้องไปลุ่มหลงไม่ต้องไปยึดไปติดไปคล้องมันหรือทุกอย่างดึงมันเข้ามาหมดพิจารณาให้มันเข้าใจ ทำความเข้าใจไปก่อนมีได้ลองวางให้หมดเลยเจ็บปวดก็อยู่ที่ร่างกายฝึกปล่อยฝึกวางให้หมดไม่เอาอะไรไม่มีเราไม่มีเร า, าเป็นแค่ความรู้สึกเฉยเฉยกายก็ต้องตายต้องทิ้งจิตก็เป็นนา ม, มธรรมคิดนึกได้ตามธรรมชาติของมันอย่าเป็นหลงว่าเป็นเราดูเฉยเฉยเลย ดูกายดูจิตเฉยเลยเราจะดูอีกห้านาทีเพราะเราดูนาฬิกาอยู่ยังไม่ถึงสามทุ่มอันนี้คงเป็นเตือนว่เราทำจิตเราให้เป็นปกติสุดท้ายยิ่งสุดท้ายเท่าไหร่เราก็ยิ่งสํารวมจิตใจเราให้ดีเลยไม่ให้หวันไหวไม่ให้ปรุงแต่งอะไรเข้ามาเอาใครจะตั้งปณิธานอะไรนะอธิษฐานอะไรเหมือนกับว่ามีพระพุทธเจ้าอนุภาพของเจ้าตรงนี้ มีพยานหลักฐานเป็นพยานให้กับเรามากมายเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีประจักษ์พยานย้ำลงไปเลยปณิธานของเราคืออะไรอทิษฐานจิตให้แน่วแน่แล้วก็ตั้งใจอุทิศบุญนะขออานาจพระพุทธเจ้าอำนาจพระธรรมอำนาจพระสงฆ์จงดนบันดาลบุญของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันให้เกียติญาต์ทั้งหลายของข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาข้าพเจ้าเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าให้เกียติญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของพ่อแม่สามีภรรยาลูกหลายพี่น้องผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าให้เกียญาติเทวดาที่รักษาและนายเวรของทุกทีมีส่วนในการจัดให้มีการ มาฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมผู้ที่รวมกันบริหารจัดการดูแลแก้ไขปัญหาให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น ม, มีคุณประโยชน์ต่อจิตใจให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ในสถานที่แห่งนี้ที่ปกปักรักษาคุ้มครองสถานที่แห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่กําลังต้องการบุญจ า, ข า, า, จากข้าพเจ้าอยู่ในขณะนี้ทุกชั้นทุกภูมิ ขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับอบุนของข้าพเจ้าด้วยเถิดเมื่อรับอบุนแะล้วต้องการสิ่งใดไว้สมความปรารถนาเดี๋ยวหน้าแทงบุญที่ข้าพเจ้าได้คิดแห่งเหล่านี้ไว้มสมความปรารถนาแล้วให้ปกปกักษ์หนาคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเพือนุขข้าพเจ้าทําสิ่งใดไว้มีแต่ความราบเรือนมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความเจริญงูเงือ ง, งให้ยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดข้าพเจ้าจะหมันทําบุญ แล้วก็อุทิบุญไปให้เรื่อยๆไปสำรวมจิตใจดีๆทำเหมือนกับบุญออกไปจากใจเรานะ